50 languages. ลำดับเลขอาดาตีเดือนแรกคือเดือนมกราคมเดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ ดู second month f e b r เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม third month March เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน f o u t h m o t h April เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม fifth month ไม่ใชเดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน หกเดือนคือครึ่งปีชั้นไมหนโอ๊กครึ่งปีชั้นม่หินานอ๊กชั้ม่หินโอ๊กชั้นไม่หินโอ๊กชั้นไม่หินโอ๊ก เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคมซาวาจุเลย่ย์เดือนที่แดคือเดือนสิงหาคมอัตวะาอาัสต์เฮเดือนที่เก้าคือเดือนกันยายนนวา์มหินาสิทัมเบร์เ่เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคมดัษวะมหิน กันตุยบร์เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายนยมนาเดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคมบารวม้หิดิบเสิบสองเดือนคือหนึ่งปีบารมหนโอีกส้นลต กรกดาคมสิงหาคมกันยายนจุลายนเอกซ์ตเดซัมเบอรตุลาคมพฤศจิกายนและทันวาคมออกตุบร์นวัมเบร์หรืดิซัมเบร์